ผากตะเกลาพอนกันเหยาหาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาขะรังเอวะไมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปัะชีตังตุมหังจิปะเมวะสมิตสตุสัพเฮปุเรนตุสังกปา ธนโภภนราโสยะถามณิโชติรโสยถาเฮยวัดฌานดูสาบารุวันดรอยูสุขีที่่ายุโก สนิจังวุฒิปัจจัยนุงรุธามาวาตนติอายุนุสุขังอลังบวตุสับหมังคลังลักขันโตสับ นุภาเวนัสธทโสติภวันตุเตมังกะลังลักขันตุสาภเทวดาสัมบัธรรมา นาสะท้สดเทพวัรต <t od ic> ุเตพวรรตุสมพมังลังระเทวทาสามพสังฆานุเวนสทสทพัตุเต ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเรารู้จักทําความเข้าใจดังจะ ต, ตื่นขึ้นมาดังจะเช้าดังจะยังไม่ลูกจากที่จนกระทั่งถึงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เราได้วิเคราะห์กายของเราแล้วหรือยังเราได้วิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือยัง ได้อบรมใจมันพรำสอนใจของเราแล้วหรือยังตื่นขึ้นมาใจของเราสงบใจของเราปกติหรือว่าใจของเราส่งไปภายนอกการเจริญสติลักษณะของคําว่าสติระลึกรู้ตัวอยู่ปัจจุบันรู้กายแล้วก็รู้ใจรู้กายคือ ร, รู้ส่วนรูปธรรม รู้สัมผัสทางลมหายใจที่กระทบไหลยจมูกของเราอันนี้ก็เป็นการรู้กายรู้กายแล้วก็รู้ใจแต่เราอาจจะรู้อยู่ในภาพรวมเรายัางไม่ได้เห็นลักษณะของตัวใจจริงๆตัวใจจริงๆนั่นเขาอยู่ในความบ้างอยู่ในความบ้างอยู่ในความสงบอยู่ในความสะอาดอยู่ในความบริสุทธิ์ <c oughs> แต่เวลานี้เขายังหลงอยู่ <c oughs> เขาหลงเกิด หลงเกิดหลงคิดหลงปรุงหลงแต่งทำอย่างไรเราถึงจะควบข่มใจของเราได้เราก็ต้องจเจริญสติลงที่กายของเราหมั่นอบรมใจของเราไปปล่อยรู้จักแยกแยะว่าอันนี้เป็นส่วนของสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนใจใจที่ปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่สงบใจที่ไม่เกิดใจที่คลายจากขันห้า ใจที่ละกิเลสจนเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรเราต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยกายของเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นลักษณะอย่างไรวิญญาณในกายขันธ์ห้าเป็นลักษณะอย่างไรที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันธ์มีกันทุกคนมีกันทุกคน จิตคงแต่และคนนี่สอนได้ไม่ใช่ว่าสอนไม่ได้สอนได้หมดไม่ว่าพระไวยยมบวยชีก็ปรารถนาหาทางดับทุกข์บางคนก็ช้าบางคนก็เร็วบางคนก็สร้างบุญมาดีบางคนก็เอเ อ, เอห่างไกลจากธรรมเลยก็มีก็ต้องพยายามน้อมนำบอกคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติมาปฏิบัติ แล้วก็ทำใจของเราให้เข้าถึงว่าท่านสอนเรื่องอะไรการเจริญสติความหมายของการเจริญสติก็เพื่อที่จะคลายความหลงแล้วก็ละกิเลสอบรมใจของเราให้ได้อยู่ด้วยปัญญาล้วนๆไม่ใช่ปล่อยวันเวลาทิ้งเรามีศรัทธาศรัทธามีเต็มเปี่ยมแต่ให้เป็นศรัทธาที่ เกิดจากการเจริญภาวนาด้วยไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบหลงงม ง, งายใครว่ายังไงก็หลงไปเอเอเอตามเขาหมดต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นที่ใจของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนอยู่ที่กายที่ใจของเรากายของเรานี่แหละสนามรบอย่างดีเลยเรามาเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราอยู่คนเดียวรู้กายรู้ใจของเรามันพร่ำสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสอนใจของเราไม่ได้ก็จะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่เกิดประโยชน์ เราพยายามหมั่นพร้ำมสอนตัวเราการเกิดก็เป็นทุกข์การเป็นธาตุของกิเลสกิเลสยาเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรทวารทั้งหททำหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์มีปัญญาฟัางนิดเดียวรู้จักวิธีการแนวทางแล้วก็ไปปฏิบัติ ไปสร้างให้มีให้เกิดขึ้นแต่ระวันใจของเรามีความอ่อนโนม้มท่อมตนหรือว่ามีความเจ็ดคลานหรือว่ามีความแข็งกร้าวเราจะแก้ไขใจของเราอย่างไรถึงจะให้อยู่ดีมีความสุขถึงจะให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเป็น่าต้ของกิเลสสิ่งพวกนี้จะไปบังคับกันไม่ได้เลยไปด้วยแรงเวียงคงกรรม ได้แค่บอกแค่กล่าวแค่พูดให้ฟังเท่านั้นพวกเราจงไปทําให้มีให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพีงแต่ตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายให้เป็นแค่เพียงอริยาบทเพียงแค่ระดับสมมุติเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีเพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องสมมติเรื่องวิ ม, มตุติ สมมติวิมุตต์ของท่านเป็นอย่างไรอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรอันิจยงทุกครั้งอนัตตาในกายในใจของเราเป็นอย่างไรมีไม่มากรอก อยู่ในกายของเรานี้แหละถ้ารู้จักค้นหาค้นควาย่อมจะเข้าถึงแต่ส่วนมากก็มีแต่ส่งใจออกไปภายนอกไปวิ่งหาตั้งแต่ข้างนอกหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาการเกิดของใจนั่นแหละคือความหลงอย่างละเอียดต่อถึงนี้นมาเจริญสติเข้าไปอบรมใจจนใจของเราคลายออกจากขันห้า ทำความเข้าใจละคันห้ามาละกิเลสแล้วก็มาดับความเกิดแต่กายสมมุติก็ยังมีอยู่ปูดง่ายอยู่หรอกนะแต่การกระทำการ น, นั่นจริงๆแล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความพ ย, ยันมมันเพียนเป็นเลิศมีความทำความเข้าใจเป็นเลิศต้องพยายามไม่เหลือวิสัยล้มแลลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหมย่ยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่าน ก็ต้องพยายามเพิ่มความสมัครสมานสมัครชีระ ว, วังกายระ ว, วังใจระ ว, วังบาดเจ็บของตัวเราไม่ให้กระทบกระทั่งกันไม่ให้ว่ากันให้อภัยซึ่งกันและกันก็อยู่ด้วยกันมีความทุกขอยู่หลายคนก็มีความทุกขอยู่น้อยคนก็มีความทุกขพระเราก็เหมือนกันทีเราก็เหมือนกันมีอะไรก็ให้ช่วยกัน จากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็จะได้รับความประดวกสบายพระเราส่วนหนึ่งวันนี้ฝากันช่วยกันไปย้อมเด็กทางของฝั่งมหาเจดีย์หน่อยนะเหล็กก็สั่งมาเมื่อ ว, วานก็ไม่หมัมกล็อกก็ช่วยกันหรือว่าย้อมเสร็จแล้ว ช่วยกันยอมช่วยกันทำํำพวกเรานั่นแหละได้อาศัยไม่ใช่ใครหลอกพวกเราจากไปรุ่นหลังก็จะได้มาอาศัยต่อมาดูแลสร้างสรรต่อเรามาวางราักฐานกองบุญเอาไว้รุ่นฝึกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้ไม่ได้ลําบาก เราวังหลักฐานบุญให้เป็นกองมะหิมาฝากเอาไว้ให้กับแผ่นดินฝากเอาไว้ให้กับส่วนรวมให้เป็นสมบัติของชนกลางพวกเรามีโอกาสมากโอกาสเปิดการเวลาเปิดอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งเชยได้เวลาบุญภายนอกเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมส่วนการขัดเก่ากิเลศเรากพยายามขัดเกาเอาออก อยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางการสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันทั้งนี้หนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ทำปากกันไว้ประพรมพรมกันคอยไปทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรืยอบท